พระธรรมเทศนาแผ่นที่59าลำดับที่27โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2554มีชื่อเรื่องว่ากรรมฐานต้านภัยน้ำท่วมมาถามพวกเขานี่ไอ้สิรอดมานาังยิมกันนวัน บอลหลอดสักก้นหนูเลยไปมีแต่พวกผู้ไดสาวผู้ไดวัยเท่านั้นแหะผู้ใดไปกอนกันไปซะผู้ใดน้ำหลังกับไปน้ำรถน้ากลนกันไปเลยบอหลอดสักก้นหนูเปมีแต่พผู้อื่นบหลอดผู้อื่นบอลผู้พ่อปวนเจ้าของพ่อว่าเจ้าของสี่หลอดเนียที่แทบมันเจ้าของกับบอหลอดกันแน่หเลยไปแต่หลอดซาคือกวาผู้นั่นแนวนไปหลอดซาก็อผู้เห็นเน่ย จักสิต ร, ต ร, ต ร, รอดารอไฟกระพงจักกันนะวะกลับมากเลยว่าเขาจะไปก้อนไปก้อนเนะี่ยบาหาตัวเองหลายตายก็มีดเนีกินเข่าเช็บเชบแล้วก็พะง่าปะเกิตายก็มีมีโยอมอยู่ทางบ้านรุ่นเดียก็ลงพอนีนะ่ไปให้ก็ตีฟ้าบ้านให้ก็ตีฝาบ้านสมัยก่อนบะมีระบะมีระดับน้าเลยก็นั่นงอยู่ทางกลางกไปเอา้าทั้งไส้ ตํ้มเอาทังขวาสูงกว่าไปเอาใส่ตาเป็นผู้วัดนางเอาทางังยกเขินทางขวายกลงทั้งใต้ทั้งท้ายเอาไปมา่านปอปากกว่าเนี่ยป <c oughs> บาปากปอบาปากกว่าไปเอาทางได้สูงทั้งได้ต้ม่ า, า, าได้อยู่ทั้งเทกาไปปอปากกว่าไปบ้าเลี้ยวเบิ่งช่องคาอตกแต่แสไเป็นยังวาเ่ย บาดาไปจับข้อกันกอกทั้งทตายให้สำบันไงที่เบิงทั้งที่เบิงไอ้เขาตีฝาบ้านเาไปบอกเขาอยน่ไปใส่ต่ำขวาสูงขวาสูงใส่ต่ำเเอาไปว่าบะฮยกขึ้นไปบ่เลบปากคนนไปเอ้าสูงทางไหนคพกอยู่ทงเทิงไปบะหันเลี้ยวบ่างนล่ข้อตกแต่แสอยเป็นยังมันนอนรับจะว่าถึบาดฮ เขาไปจับบางเดแทเน่โอ้ตายแล้วนั่นแหละมันบรดยากได้ตา ย, ยตายง่ายคืออย่างมางผูสีตายฮางเือก็ตายยากอยู่ว่าบางคนกับป่วยจนพ่วะแห้งหมดก็ยตายช่วงนี้หลวงพ่อเองก็พยายามประสานงานติดตอ่อเกี่ยวกับน้าท่วมกรุงเทพคณะสิทธิ์ขององค์หลวงตา ที่มาปรึกษาหลวงพ่อหลวงพ่อก็ให้แนวความคิดแล้วก็ให้ขู่ค้นไปให้ปัจจัยไปมีเสียหลี่เสียโหนั่นหะเป็นตัวน้ำเป็นผู้น้ำก็ไปให้เสียต้มพอไปอยู่สวนแสงธรรมประมาณสักเกือบสองอาทิตย์น้มโวมสวนแสงธรรมอีกวันโยบะได้เสียต้มก็เลยแนะนํำไปทั้ง ชมลมพ่อค้าออำเภอวังน้ําเปรี่ยวจังหวัดสตึกเซาห่างจากกรุงเทพมาประมาณสักสามพราะถึงวัน่หจะถึงสาสิบกิโลสิบกว่ากิโลก็เลยมาตั้งศูนย์อยู่หันให้มันห่างจากน้ำท่วมน้าท่วมเพรท่วมระบาดนี่ยเขาผันไปเขาว่ามันสูงกว่ากรุงเทพมประมาณสักสี่สิบสี่สิบเซนติเมตรนะพรมันผันบาไป ก็เลยไปตั้งศูงยุหันมองหันก็เป็นที่กว้างขวางก็เลยตั้งเป็นศูงยุหันก็บชาวบ้านเขาก็มาช่วยงานดีก็เลยตั้งโรงท่านแต่ละมือเน่ยบางมือก็เดีประมาณหกพันกันคนหลายซอยหกพันชุดห้าพันกว่าชุดมือว่านเดี่ย่สีพันกว่าเมื่อว่านมุพพอก็ถามไปเดี่ย่สีพกว่าแล้วก็ได้ถามว่ามีน้ำบ่หรอวะ อยากเตะเถื่อห้างเถื่อก็มีหานหลงเถื่อกระบมมีหวัดตามไม่จริงน่าจะมีนม้ำใส่ไปน้าก็ดีขึ้นกันเนะ๊น้ำมันกับกันดานขึ้นกันน้ำเขาพวกินบนะไรน้ำปลาปาน้ำขวดกระมดขึ้นกันปนควรจะมีนม้ำใส่ในถุงอาหารไปน้ำมีเข่ามีกับแต่กันนาจะมีนาม้าลองลองเข้าก เขากินเข่าล้วบรได้กินน้าลงง้องนู่นเอ้หามันแค้นเข่าเ็ยที่ไรบ้านเนี่ยไ ม, ม่มีน้ำกินอมันมันจนมันจนคุณแนวเลยวันนี้ขวรจะเอาน้ำใส่สักขวดกว่านีา้วันนี้หลวงพ่อก็เลยประสานไปทั้งหลวงพอ่อสุฑามที่เปิ่นเคยทรงน้าก็เลยให้นี่แหละทางโยมประสานจุดรถสิบหลอเนาะทรงน้ำลงไป แต่เดนนี่กัเม็ดพลาสติกสีดำขวดน้ำกับมัดอีกปาเนี่ยาอาไอซียูบรายคือกันมันขาดมาจากกรุงเทพเต้นสังกัดมันอยู่บุญเขาก็รับเม็ดพลาสติกสีมากพิษน้ำขวดขวดน้ำน้ำบรายรับประกันว่ารัปากคือกันเขาสีสังจองนี่แหละนนี้ก็คือพวกกลุ่มทั้งเท่ากับบัวเดสรุปเลยก็คือบวัวได้นิ่งดูได้ไป ซอยเขาไปอยู่มือรหัเดี๋ยวนี้ติดต่อไปทั้งทหารหคือเอาเชาวบ้านมั่นกบประมารฐานบางทีมือได้เขาว่างก็ก็มากานมือได้เขาว่างก็กบมาแต่ส่วนแม่รั่วนี่ย ก, กลุ่มหนึ่งกระจิกกับยี่สิบคนจิกกับแล้วเสียหูกำลังประสานหาคนลงไปอีกจักจะได้มากได้หน่อยยังมาลงพอก็ให้ทั้ง พ ว, นะพวกในี่ะพวกในขัวเฮ้าเนี่ยประสานมนุษย์มีพีน้องชาวบ้านผู้ดใดสิบไปได้ว่ชุดทั้งแยกหน่อยชุดสิบหรือยี่สิบคนไปสักสิบผามื่นโมเมนต์ไปกับโรดได้บหร่ได้ไปต้องสิบผามื่นแล้วก็เปลี่ยนชุดกันสิบผามืออแอหลวงพ่อก็บอกว่าบอกต้องพุ่นไว้อยู่เออ ถึงจังไรก็ตามเนอะพี่น้องลูกหลานพ่อได้มาซอยงานต้องให้ล่างวันเขาเ้ต้องให้ถึงจะบวเต็มที่ก็ต้องให้ล่างวันขอพ่อสุ้มกวนให้เหมาะสมแล้วใครเอาทั้งบุญด้วยได้ทั้งบุญได้ด้วยทั้งเงินพร้อมเงินก็ควรจะได้บุญก็ได้ว่าม่เอาแต่บุญอย่างเดียวกับบวชได้ พวกเขาก็ต้งซอยเล่าซอยกันเบื้องอีกจุดนี้อีกนะว่า ม, มนันที่ใส่แตะก่นเลยครับพวกผมก็หายยุ่งแต่พวกนั้นเขาว่ า, าแต่หลวงพว่อยังม่ได้ถามว่มาจังไรแต่นี่ก็เลยเรื่องอาหารการบริโภควันรุ่มมาตุ่มกันอยู่ก็ได้ไปขอทหารมาจากจังหวัดสะเซิงเซ า, านะได้สิบหน้ามั้งได้ทหารสิบหน้าขี่มาซอยจงแต่มือเนี่แหละเป็นต้นไป เพราะมันยกบาไหวเลยกอาหารเฮ็ดแล้วนะมันหนักกว่าไฉ่ยกเกาเหนียวเป็นกองเป็นกองเป็นกองยกขึ้นไปขันไในทหารมากกพวกคนหนุ่มมากกว่ช่วยยกได้พวกแต่พวกผู้หญิงผู้หญิงมาเฮ็ดอาหารแกให้เขายกมันก็เบาไหวกันมันหนักมันเป็นทั้งพันกองมาไอ้พันพันชุดนะตอนนั้นเบิงเบิงหลวงพ่อก็ติดตามอยู่ตลอดขึ้นกันก็บอกเออ ก็เป็นไปได้เลยให้ผูกเข้านะหัวจับกู้บา่าจานองไหนเข้าทําใน น, น้ำคณะสิทธิ์เสียงธรรมวัดป่าบ้านตาดโมเมนของหลวงพ่อเนอของตนะุง๊กขูดทุกคนแต่หลวงพ่อนี่กันไปยามเบิ้งขึ้นกันแต่กระทำปอเดี๋ยนีจ่จะตุปัจจัยมีบอ่อเเขาว่ามีอยู่ประมาณสองแสนยี่นางานั้นเอ อ, อยุกปอมีตาใดปอไม่อยู่อีกสองแสนเออส่งเข้าไปเลย สง่งก็ไปแ น, น่นางานให้ทั้งพูนเปิดบัญชีไว้ทั้งเสียต้อมเสียหลีเสียโหสามคนเป็นผูกควบคุ้มบัญชีเบึ่งทําบัญชีไว้เดอ้อ่พวกเงินบริจาคเขาเห็ดเท่าใดก็เห็นจักว่าเข้าใส่ใจจใังไดเพื่อให้โปรง่งใสกับเมฆผูเถาะสอบถามมากกว่าเหงูจกักเขาใส่ใจจังไดก็เป็นอาทีของพวกเข้าทั้งสามสีคนหัวหน้าปรึกษากันแล้วก็ใส่ใจ ใส่ค่าล่องใส่ค่าแรงใส่ค่าจ้างเนี่ยเขว่ากันไปนั่นไหนสิมันเกิดประโยชน์กับการบริหารโมเมนต์ที่ใครแต่อาหารอย่างเดียวก็บบาดได้พราอมันค้นห้อมันก็อยู่น้ากันอยู่ในหันแล้วข้นจะหายจังใดไปค่าไปค้ามากค่านมน้ำหมูค่าน้ํามันค่ายังเนี่ยมันก็คิดอยู่ในหันมัดอ่ะน่ยหลวงพอ่อบอกภาพรวมกว้างไว้อะ เดี่ยวทางว่ามันขาดยังไงตั้งบันคุณปอนตั้งคุณปอนตั้หลวงพ่อข่ายตั้งผี่ปอนยังมีหลาไปไนะยังอยู่ประมาณสองแสนกว่าเอ อ, อโอนเข้าไปเลยถ้าบัญชีทา้งพุนเขาเปิดแล้วก็โอนเข้าไปแล้วมันไปอยู่พุนซะขันพวกนางานเขามีเงืนอยู่นาตักหลาย้งสิมันก็อุ่นใจได้ไหมว่ามันที่ทาท ำ, ทำไปได้แล้วนะว่าอะไบ่มีมก่องสนับสนุน ต่างคนต่างหนีม า, มาลอมกองก้อยมันก็ขายหนาผู้อยู่ตั้งหนาเขาได้เพราะนั้นพวกท่าอยู่กองหลังพยายามมีอยังก็โอนโอนเข้าไปเขาก็จะได้ว่างแผนถูกว่าเงินอยู่ในหนาตักของเฮ้าหนี้สีเลี่ยงเลยซักมือจิเลี่ยงแบบใดหลูหรหาโออาจังไดจีเลี่ยงแบบทุกข์ยากจังลำบากจังไดเขาก็จะได้ว่างแผนถึกเพราะเงินอยู่ในหนาตักเขา การอยู่ในเงินอนไขหนาตักของผู้อื่นเขาจะว่างแผนเขาก็ว่างแผนพอเต็มทีเพราะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็โอนๆเขาให้อยู่เข่าบัญชีเขาจ้าเพื่อจะเขาจะได้ใส่ง่ายอันนี้หลวงพ่อก็บอกท่านจำสำรับ น, บนามก็นี่ะหารถอมีไหมรถออน้ามีไหมหรือกวดน้ำตกข้างอยู่แถบชนบทบ้านนอกของเฮ้าแถบไหนที่มันมี ที่เขาไม่ได้ขายไงเขาบม่ได้ขายผมมีผลิตสื่อมาไปซื้อเอามาใส่หนามกอกลงไปทรงกรุงเทพจนกว่าหนามที่รถไหลไปแล้วกะยังคอยว่ากันอีกแนวนึงในช่วงนี่ก็ช่วยๆกันไปหลวงพ่อก็บอกท่านจันละแล้วลก็อีกอย่างหนึ่งก็พวกพระสองฆ์องค์เจา้าน้องนุ่งทั้งหลายหลวงพ่อก็บอกไปคือกันซอยเนะ่าแต่ละวัดแต่ละว่า จะเป็นยิ่งดูได้บอดายเด๊จะตุปปัจจัยที่เขาบ้านสร้างศาลงศาลากุฏิวิหารวัดว่าศาสนาของเขากัโดยมากกับเป็นเงินมาจากทงางภาคกลางเป็นส่วนมากกว่าใดาที่มาสร้างกระถินผาป้าก็มาจากปุ่นว่าดฮะทางปุ่นลําบากทุกอย่างลําบากเข้าเฉยเฉยกระบอแมนเนวถือจะแมนถือไพ่กระปูหัวละทุ่มลงไปรถทุ่มไปทั้งภาคกลางพอน่ะ ให้ได้ยูได้กินได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ย่มขับขันย่มบานเมือ่อทุกยากลาบากก็เห็นเห็นกันอยู่อันนี้หลวงพ่อก็บอกฝ่ายพระสงฆ์คือกันเลยอย่างนี่เหมลืลวงปู่หุนมีพมันก็ซอยไปหาแสนบอกแล้วก็กระถิ่นผาป่าแต่ละวัดมันก็ซอยลงไปนะวัดเท่าก็คือกันเท่าก็ซอยลงไป แต่เบิ่งเบิ่งยกขึมันขาดจยางไรเข้าก็บทเบิง่งทรงเป็นจังหวะจังหวะขึ้กันเขากัาบโยบมันจะทุ่มมันถึงถึงถือกระพถึงขนาดนั้นเบิๆๆ่งเบิ่งไงมันอ่อน ล, ล้าเลยเออเอาทุ่มเขาไปคือ ก, กันกับคนเจ็บคนป่วยกนะันพ่อกับสู้กําลังใดพบไปใดเลยเอาประคองไปเผมนมีทั้งอื่นอยู่แล้วทำมาอ่อนลาได้เอา อัดฉีดเข้าไปรักษาสันน่ะอันนี้ก็คือพี่น้องจัตฐาญาติโยมประชาชนคนในชาติมีความเดือดร้อนเลยทีผู้ที่อยู่ทั้งนอกจี๊ยมแยมแจ่มใสสนุกสนานกระบอกแม่แน่วอีกเกขาน่ข้าวนี้ตาข้าข้าวหน้าตาเองฮะมันทีเป็นข้าวไผกระปุูเกิดมาในโลกเกิดมาในประเทศชาติบ่เป็นยั้งหอกเข้าบ่เป็นยั้งหอกเข้าน่ะ กระโบนแนรคือกันเน๊แผนดินไว้บ่ตึกถล่มบ่เอเข่ายากมากแพงบ่มันมีมดหลายอย่างน่ะโลกเราบาดบ่ทั้งสีแ่แหละมันมีหลายอย่างเกิดมาในโลกเนะี่ยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าว่าอยากเกิดดีกว่าเข่าสูนิพานไปําแล้วๆกันว่ามักเกิดในโลกเจอหน่อยก็เจอนอมากเออพอเจอคู่พเจอพอเจอ พอเจอหัวเลเยก็เตี๋กทายเล็กโนไปเอนี่แหละพอเขาเจอทายโนไปเขาน่ยเจอหัวเข้าเจอทายนะก็ต้องซ้อยโ น, นไปสร้อยกันขืนไม้อย่าให้มันทุกจนเกินไปกันทุกเกินไปบอ่อเหลียวบ่แรกกอะไรก็บ่ไอะไรบ่อถูกจิตใจขาดคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมจิตใจเหี่ยวแห้งกบดีขี้กันหลับพร อ, อนุโมทนาหายพร